อัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอาลามีน وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความจำเริญนะครับอ a l a h سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮัมดุริลละพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งนะครับเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราทุกคนที่เป็นมุสลิมนั้นควรจะต้อง ตระหนักและกระต่ายตรองนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับว่าอาัลกุรอานที่เป็นธรรมนูญ น, นะครับที่ได้ประทานผ่านท่านนาบีสลุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราทุกคนวันนี้นะครับมันเป็นธรรมนูญ น, นะครับแล้วก็ยังเป็นทางนำและทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับนั้นเราต้องให้ความสําคัญและเห็นถึงความสําคัญของอัลกุรอานนะครับจึงผมพยายามที่ได้จะบอกกับพี่น้องนะครับและเราทุกคน นะครับไม่ว่าพี่น้องที่ติดตามรายการสิ่งอิสลามทุกๆท่านนะครับก็ได้พยายามที่จะได้คิดและไตรตรองนะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราก็คืออัลกุรอานให้เขานั้นหรือให้กุรอานนั้นได้มีส่วนนะครับในเวลา ประจำวันของเรานะครับในช่วงใดก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญและนี่สิ่งที่จําเป็นด้วยนะครับครับพี่น้องครับเรายืนอยู่ในสุร่าอังกุมูตนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับในอายะที่23นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตาลานะครับได้บอกไว้นะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ได้ตรักแล้วก็ได้รู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น นะครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วก็ได้เราอยากจะให้พระองค์ประทานอะไรหรือให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ตามที่เราอยากไม่ใช่นะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้บอกว่าวันลดีนะกัฟารูบิอายาจิละฮิวเลกาอีนะและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฮฺวาตาลาปฏิเสธองค์การต่างๆสัญญาณต่างๆที่พระองค์ได้ประทานได้ส่งมาให้เห็นนะครับในทุกๆเรื่อง พี่น้องครับทุกอย่างเนี่ยนั้นล้วนแต่เป็น อ, องค์การนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณนะฮะที่จะได้ให้เราได้รู้และได้ตระหนักนะครับว่าผู้ศรัทธาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครหรือเรื่องว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อเห็นสัญญาณเห็นอะไรที่มันแปลกหรือมันมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะทําได้หรือสามารถทําได้นั้นต้องตระหนักแล้วต้องไตร่ตรองแล้วต้องคิดทบทวนแล้วว่าอย่างไร เป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ครับผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์และที่สําคัญพี่น้องครับปฏิเสธในการที่จะไปพบเจอกับพระองค์ในวันแห่งการตอบแทนอันนี้สําคัญมากมันหมายความว่าถ้าเราไม่ยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องกลับเหรวันหนึ่งเราต้องกลับไปรับบัญชีอามันการงานของเรานะครับที่เราได้ทําไว้ในโลกดุลยานี้นั่นหมายความว่าดุลยาเราก็ทํำยังไงก็ได้ นะตอนนี้เราจะทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการที่ผวกพ้องเราเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราไม่ศรัทธาเราไม่ยอมรับว่าเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านี้และเบื้องหลังของการกระทําเหล่านี้นั้นมันจะเป็นผลดีกับเราหรือผลเสียกับเราดังนั้นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลล์ผู้ที่ปฏิเสธ ในการที่จะไปพบปะกับอัลลอฮฺสุบฮานาหรือพูดง่ายว่าวันฟื้นคืนชีพนั่นเองวันเกียร์มาวันที่เราทุกคนจะต้องมารับอามันมารับผลของการปฏิบัติเราในดุลยานี้ทําไมครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอัลาได้บอกนะครับอูเลอิกายอิซูเมลหะมัด um ีคนเหล่านี้เนี่ยเขาสิ้นหวังคือเขาไม่ได้หวังหรือก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของความเมตตาของพระองค์แต่อย่างใดพี่น้องครับตรงนี้มันทําให้เราได้เห็นนะครับว่า ถ้าอันดับแรกก่อนนะครับปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมรับองค์การต่างๆหรือสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ศรัทธาในวันแห่งการตอบแทนแน่นอนอย่างยิ่งครับเขาก็คิดว่าความเมตตาความโปรดปานสิ่งที่จะได้รับเขาคิดว่ามันอยู่ในกํำมือของเขาเขาอยากจะได้เขาก็ทำนะเขาทําเขาถึงจะได้เขาหวังอะไรอ่างเขาก็คิดว่าเขาทําได้และควอยควาได้นะครับมันเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าความสิ้นหวังของคนเหล่านี้ความสิ้นหวังของผู้ที่ไม่คขลักท้อแท้ต่อความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับคิดว่าคงไม่ได้รับความเมตตาหรือคงอัลลอฮ์คงไม่เมตตาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเนื่องจากพื้นฐานของการที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุภานหนะหัวตลาลนะครับพระองค์อัลลอฮ์สุภาตลาลได้บอกเลยนะครับว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะครับปฏิเสธศรัทธานะครับปฏิเสธองค์การต่างๆ นะครับปฏิเสธในการฟื้นคืนชีพหรือการในวันแห่งการตอบแทนและสิ้นหวังหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาคนเหล่านี้ทําไมครับวะอุลัอิคาร์ฮุมอัลลบุนอัลลิมอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาบอกเลยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยที่มีความรู้สึกที่มีความตั้งใจนะฮะมีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็พวกเขาทั้งหลายจะได้รับหรือจะได้พบกับ การลงโทษอันแสนเจ็บปวดวันนี้พี่น้องครับเรามักจะได้มองนะฮะในเรื่องว่าตอนนี้วินาทีนี้เราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเราทําไปเพราะชีวิตเป็นของเรานะฮะอะไรที่เรามีอยู่แล้วเราก็ใช้ไปตามที่เราอยากจะใช้ให้ให้มีความสุขก็แล้วกันเราคิดว่าทั้งหมดเหล่านี้คือทรัพย์ของเราคือสิ่งที่เราครอบครองอยู่นะครับเราไม่เคยคิดเลยว่า สิ่งที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่อำนาจของเราและความสามารถของเราพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าการมองการเห็นการได้ยินอันนี้เอาใกล้ๆตัวเราก่อนเรามีความสามารถหรือที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งนี้ที่พระผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเรานะครับนี่คือสิ่งที่ หลายคนมองว่าเป็นธรรมชาติหลายคนมองว่า ม, มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แต่เกิดแล้วแต่ไม่ได้นึกว่าไอ้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนให้นะครับไม่มีใครอยากตามองไม่เห็นหรือสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือมีสุขภาพที่ที่ที่อ่อนแอลงไปหรือมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากได้แต่ฉะไหนเลยสิ่งต่างๆต่างนั้นจิกเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราก็พยายามไม่ให้มันเกิดแต่มันก็เกิดใช่ไหมตรงนี้แหละครับพี่น้องครับ มันทำให้เราเห็นว่าถ้าเราคิดไตรตรองระหนักเราจะรู้ว่าการศรัทธาต่อผราผู้สร้างที่แท้จริงมันเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาเรียนรู้และพยายามปรับตัวเข้าสู่สัจธรรมนะมิฉะนั้นแล้วนะครับการปฏิเสธการไม่ยอมรับนะครับการใช้วาทการรมพูดต่างๆนานาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้น นะมันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและพยายามที่จะเชิญชวนเรียกร้องนะคนที่อยู่ใต่การดูแลหรือแม้แม้กระทั่งคนที่เรารู้จักหรือคนในสังคมเราให้เขานั้นเห็นพ้องต้องกันกับสิ่งที่เราคิดเองเออเองด้วยเนี่ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะเราต้องการการสนับสนุนจากมนุษย์ด้วยกันเองโดยที่เราไม่ยอมบอกและไม่ยอมที่จะเรจารและบอกไปว่า ความแท้จริงสิ่งที่แท้จริงที่เราคิดวิเคราะห์นะครับศึกษาประเมินแล้วเนี่ยเวลาเราไปถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแต่เราไม่ยอมไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่ยอมหันกลับมาดูว่าพระผู้สร้างคือใครใครคือพระเจ้าที่แท้จริงและเรายังปฏิเสธการศรัทธาปฏิเสธองค์การต่างๆปฏิเสธหลักสัญญาณต่างๆและปฏิเสธที่จะว่าฟื้นคืนชีพเพราะเราคิดว่าเราถูกฝังเป็น ผงธุลีเน่าเปื่อยไปแล้วเราถูกเผาเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันสูญสลายหายไปกขจบแล้วจบกันเราคิดว่าอย่างนั้นหารู้ไม่ว่าทั้งหมดเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบถ้ามากแม้นว่าเรานะครับไม่ศรัทธาไม่ยอมรับนะครับเราก็จะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าสําหรับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้พบกับอดาดับคือบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดนะครับต่อมาครับนะี นี่คือสิ่งที่ทำไมครับ เ, เป็นคำพูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของท่านนาบีอิบรหฮิมอะลัยฮิสลาะนะครับในการที่ได้อื อ, ออกันไปนะครับแล้วก็ใครทำสร้างวาทะหรือสร้างความขลังให้เกิดขึ้นกับรูปปั้นที่เขาทำขึ้นมาเองนะครับมันก็ทำให้เกิดความ เ, เหมือนกับน่าเชื่อถือ หน้าหวาดกลัวหน้าเกงขามเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับเมื่อนบีอิบราฮิมาลัยสลามได้บอกได้พยายามเชีย่ยวเห็นสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอลองถามดูให้เขาพูดสิ่งอาหารที่นําเสนออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่เราได้ไ ด, ได้ได้รับทราบกันดีสุดท้ายทําไมครับฟาบากานาจะวาบะเกลมีคาตอบของคําถามของชุมชนของนบีอิบราฮิมาลัยสลามครั้งที่ ท่านนาบีบรหิมอะลัยสลามพยายามที่จะเชีย่ยให้เห็นไม่ได้บอกให้เชื่ออย่างเดียวนะเชีย้ยให้เห็นด้วยให้เขาเหล่านั้นนั้นได้ตอบคําถามที่นบีบรหิมถามให้พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นในสิ่งที่นบีบรหิมได้ถามและภาพมันฉายอยู่ว่าว่าใช่หรือคนเหล่านี้ใช่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะครับ สุดท้ายทําไมครับฝาม่านนาจะว่าบัเกิลมสุดท้ายคําตอบของประชาชนาคําตอบของกลุ่มชนของเขานะครับด้วยศักดิ์ศรีด้วยความไม่อยากที่จ ะ, ะขลังยอมรับเสียฟอร์มนะครับหรือมันก็กลัวเสียมวลชนกลัวเสียภาพลักษณ์นะครับพูดไปแล้วต้องทําให้ได้กลัวเสียเดี๋ยวคนจะบอกว่าไอเราแกล้งหรือเราหลอกลวงกลัวไปหมดอะ่ะแต่กลัวไม่กลัวว่าเขาจะได้กลับไปหาพระผู้สร้างที่แ ท, ท้จริงและจะตอบอย่างไร นะครับต่อมาครับเพื่อเคเ็กหนุนหรือเพื่อสนับสนุนการที่เขาพยายามล่อลวงและหลอกลวงประชาชาตินะประชาชาติจิงได้กล่าวว่าอะไรอิลลัอันกอลูอนเซียพวกเขาได้กล่าวอย่างนี้ครับนะพูดง่ายว่าต่างคนต่างนำเสนอวิธีการขจัดหรือกำจัดนบีอิบรฮิมอะไยฮิสาลาัลัมบอกว่าอะไรอุกตูลูหให้สังหารนาบีอิรฮมซะหรือฮา ร, ริกู ห, หรือเผานาบีอิรฮมซะ นะครับนี่คือคือเผาให้ตายไปเลยนะครับนี่คื อ, อข้ลกลยุทธ์หรือแผนการของชุมชนที่ถูกนำเสนอและที่ได้พยายามบอกเชให้เห็นถึงสัจธรรมที่แท้จริงแต่ครั้งที่ไม่ยอมรับครั้งที่ไม่ยอมอถึงแม้ว่าจนต่อหลักฐานหรือจนต่อคำพูดต่างๆไม่มีอะไรที่จะโต้อตอบแล้วนะคำทางออกของออสิ่งที่ ประชาชาติได้เลือกหรือกลุ่มชนนั้นได้เลือกก็คือขจัดคนที่บัศน์ซะขจัดคนที่มาบอกมาเรียกร้องซะโดยการเผาหรือฆ่าซะนะครับฝ่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจึงได้บอกว่าฟ่อันญจฮุลลอหุมินันนารพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ช่วยนบีอิบราฮิมให้รอดพ้นจากการเผานะที่เราทราบกันดีอยู่นะครับว่านาบีอิบราฮิมนั้นถูกนําไป เ, าเผานะ เพื่อที่จะได้สังหารนบีอิบราฮิมในการที่มาลบหลู่ในการที่มาทําร้ายในการที่มาพูดงว่ามาโต้แยง้งมามาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ได้ศรัทธาต่อล็อกสุภาหนาหัวตาล่าพี่น้องครับวันนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ขุกกล่าวไว้ในอั uran, ลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองข้อคิดนะและแน่นอนครับจะทําให้เราได้สตินะได้วิ ในการวินิจฉัยหรือการมุมมองในหลายๆรูปแบบนะครับ1ในนั้นนั่นก็คือว่าการศึกษาสามารถจะเปลี่ยนคนได้ 2. คือเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความรู้หรือสัจธรรมมาถึงเราความจริงมาถึงเนี่ยมันมี1ยอมรับยอมรับในความจริงนั้นที่เราอาจจะผิดพลาดไปนะครับ2ถ้าไม่ยอมรับทํำยังไงล่ะครับเราต้องขจัดฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ขจัดเพื่อให้รู้ว่าของเราเนี่ถูกต้องโดยขจัดสิ่งต่างๆเราเนี่ยออกไปดังนั้นข้อเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสังคมบ้านเราในชีวิตของพวกเรานะครับเวลาสัจธรรมหรือเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ได้คํานึงถึงว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่แต่เรากำลังจะบอกว่าทำไมถึงทําไมถึงอย่างนี้ทําไมถึงอย่างนั้นและสุดท้ายก็พยายามขจัดในทุกวิถีทางที่จะได้ขจัดได้ นะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้บอกว่าฟาอันยะฮุลลอห์มีนันนา่าเพราะองค์ Allah ได้ช่วยเหลือนบีอิบราฮิมให้รอดพ้นจากไฟนรกให้ให้ให้รอดพ้นจากการเผาเ <c oughs> นะี่ยในการที่ชุมชนได้ได้ได้ไดไดไดมาทําร้ายนาบีอิบราฮิมละอิสลามอินนฟีดาลิกละลอาญาติน ล, ลิกเมียุมินุนและยังได้บอกในท้ายอายะวะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้แท้จริงเป็นองค์การต่างๆสําหรับกลุ่มชนที่ศรัทธาอย่างที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้มองจะเห็นจะรู้อะไรครับสั จ, จความเป็นจริงอะไรที่มันเกิดขึ้นนะอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องใส่ใจไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยเลยเรื่องนี้เป็นเป็นเหมือนกับ เ, เรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เป็น เ, เรื่องราวในอดีตเรียกว่าประวัติศาสตร์แล้วก็จบกันไปไม่ใช่เลยนะครับ เพราุณอ่านบอกแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับตัวแล้วแต่เป็นนะอาญาตเป็นสัญญาณเป็นข้อคิดเป็นมุมมองเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ตรณัติหรือก็มียุมีนู่นสําหรับใครล่ะครับถ้าไม่ไม่ศรัทธาก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นเรื่องเล่าถ้าไม่ศรัทธาก็บอกว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าถ้าไม่ศรัทธาก็หากลายุทธ์โต้แยง้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าศรัทธาล่ะครับจะได้ข้อคิด จะได้สติจะได้มุมมองต่างๆว่าเมื่อเรายืนหยัดในหลักการเมื่อเราเอาศัจธรรมสิ่งที่ถูกต้องมาบอกมาสอนมาแนะนําเราอาจจะเจอการต่อต้านเราอาจจะเจอการไม่ยอมรับเราอาจจะเจอการที่จะบอกว่าทําอย่างไรให้ให้คนนี้หรือองค์กรนี้หรือสิ่งนี้ที่เขากําลังนํามาบอกนี้นั้นหมดไปจากสังคมหมดไปจากการที่จะได้มาเรียกร้องเชิญชวนเรื่องราวของ ศา ส, สนาดังนั้นพี่น้องครับเรื่องราวของนบีอิบราฮิมเป็นเรื่องราวที่ให้เราได้เห็นให้เราได้รู้และให้เราได้เอามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตต่อไปถึงวันเกียยมาไม่ว่าเราจะรอยอมรับหรือไม่ไม่ว่าเราจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับต่อมานะครับอัลลอ์สุบฮานอวตาลาได้บอกไวในอายะห์ถัดไปที่บอกว่า ว่าก็ละอินนามตะครับตุ ม, มินดูนิไลอาซาณานะเป็นคําพูดที่นบีอิบราฮิมได้บอกเป็นข้อคิดให้กับพวกประชาชาติพี่น้องครับนี่คือเห็นได้ชัดมากขอให้มีสติตั้งใจที่จะมองและพิจารณาตามนะครับท่านนบีบรูฮีนได้บอกว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายได้เอาอื่นจากอัลลอฮ์มาเป็นเอ่อมาเป็นที่ตั้งนะครับมาเป็นเอ่อบูชามาสักการะนะครับ มวัดดัตตาใบนิกุมใบมาวัดดัตตาใบนิกุมฟิลไฮอาติดุนยานะครับมันเหมือนกับจะสร้างความรักให้เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้นั่นหมายความว่าทําอย่างนี้แล้วสังเกตหมูมีความรักใครมีความปองดองนะฮะอันนี้คือความสามัคคีในดุนยาเนี้ยนะครับจะเห็นว่าเป็นการปองดองใครอยากจะได้อะไรโอ้โหเสียสละนู่นนี่นั่นเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเรื่องที่ไม่ถูกต้องการเสียสละจะง่าย การให้จะแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่เวลาเรื่องที่ถูกต้องเสียสละก็ยากเวลาจะให้ก็ยากนะครับนี่คือสิ่งที่กุร์านบอกกับพราทั้งหลายจากอายะห์ที่บอกว่ามาวัดดาตาเบย์ในกุมเฟลไฮยาติดดุนยานะครับมันเป็นความรากักมันคป็ความห่วงใยมันเป็นความสนับส น, นุนมันเป็นาการที่จะได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างพวกเขาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายพวกคนที่ ยังมองสัจธรรมหรือยังไม่เข้าใจว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครยังไม่ยอมรับนะยังไม่ศรัทธายังไมเ่เห็นถึงความเป็นจริงของคาําว่าบ่าวและพระผู้สร้างท่านนาบีบรหิมอะลัยฮิสลามได้บอกเรียกกันว่าสอนกันแบบตัวต่อตั ว, ตวสอนกันแบบเห็นภาพไม่ใช่เป็นคําพูดอย่างเดียวในะเห็นภาพไม่พอยังบอกให้คิดนะเห็น ภาพเพื่อให้ตระหนักทุกอย่างเลยวันนี้เราบอกว่าทําไมครับ l e a r n by doing learning by doing แปลว่าเรียนแล้วทําให้มันเห็นภาพสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตแล้วท่านนาบีบริษัมสอนอะไรคือพระเจ้าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้าที่ไม่แท้จริงคือทําอย่างไรได้อะไรเป็นอย่างไรปกป้องได้อย่างไรเห็นหมดเลยครับนะบเห็นหมดเลยนะครับแต่เมื่อไม่ยอมรับทํำยังไงครับนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมาวัดดาตาบยในกลุ่ นั้นจะเห็นความรักความห่วงใยการปกป้องซึ่งกันและกันกันเหมือนกับมีใจอ่ะเหมือนกับทุ่ ม, ทมเทให้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ไม่แปลกเลยพี่น้องครับว่าวันนี้เราจะเห็นว่านะฮะทำไมเวลาพูดเรื่องเรื่องจริงเวลาเรื่องศาสนาธรรมเรื่องศาสนามักจะมะีความยากลําบากเกิดขึ้นในกลุ่มชนใดกลุนที่ปฏิบัติและถ้าหากว่าไม่ใช่นะครับ ที่มันจะเรื่องง่ายหมดเลยอะไรที่ไม่ตรงตามหลักการหรืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องาศาสนาสังเกตว่ามันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องสะดวกมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็หันกลับมาแล้วก็ เ, เห็นพ้องต้องการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปครับพี่น้องในอายะเดียวกันนี่ยนะครับเราบอกไว้ให้เห็นภาพเลยพี่น้องเราศึกษาเราเข้าใจจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของเราในช่วงของเรานี้นั้นอย่าให้มันเป็นสิ่งที่มาล่อลวงหลอกลวงและเป็นภาพแบบ เขาเรียกมโนภาพให้เรานะครับความจริงหรือไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเราต้องอยู่บนความเป็นจริงที่กูรอ่านบอกเรานะครับในโอกาสหน้าเดียนชอลล์นะครับเราจะได้มาพบกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีคุมอุลาามัตุลลอฮ์ะวะบรักตุ